ใครจะสมกันบ้านก่อนใครลงจากรถก่อนเป็นไงเป็นไงคือมันมีช่วงหนึ่งภาวนาดีอยู่ทีินที่กอเอาซีดีเก่ามาฟังที่เหมือนกับว่าเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปทำ นี้ก็ฟังตอนนั้นก็เหมือนจะเข้าใจแล้วก็มันก็เข้าใจแว็บเด็กแล้วก็มันก็สูงโตเองค่ะสุดแต่ว่าก็ไม่ภาวน า, นาจิตฟุง้งซ่านด๋อยฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตใจกระจายก็ จ, จ, จกะกระจายไปนะจริงทําสมถะนีด <c oughs> หน่อยก็เข้างที่ ทำไม่ได้สมถะมันไม่ได้ฝึครับเอาเคล็ดลับทำสมถะทำสบายๆคือความความสงบความตั้งมั่นของจิตนะเกิดจะความสุขใ น, นอภิธรรมก็สอนดีนะบอกว่าความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิางั้นเรา จะรู้อารมณ์นะรู้สบายๆใจจะสงบเวลาที่จิตฟุ้งซ่านเนี่ยอย่าไปตกใจอย่าไปอยากแก้นะมองมันลงไปในแง่ที่ว่ามันก็แสดงความไม่เที่ยงได้เหมือนกันนะเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาภาวนาดีมานี่หลวงพ่อประชมไปทางน้น้นหลวงพ่อนูอน้นท่านจะชมนะในสุดคล้ายๆเป็นนับมวยเป็นแชมป์อ่ะ มีเกลงสมาธิเสื่อมจิตเสื่อมเสื่อมแล้วตกใจพยายามแก้ยิ่งพยายามแกนะ้ยิ่งดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งเสื่อมดิ้นไปจนหมดแรงดิ้นงั้นเรามันเสื่อมน่ะง่ายๆเลยรวมไป รู้กายรู้ใจเราไปเรื่อยๆไม่ต้อสนใจอ ะ, จะเจริหรือจะเสือนะเเส่อมนะเจริญก็ทําเสื่อมก็ทําเหมือนกันน่ะรู้ไปเรื่อยๆไมต้องไปแก้มันก็ได้ถ้าเราทำสมถะไม่ได้ก็ดูมันก็ไปเรื่อยงทีเวลาเดินตรงกรมมีครั้งหนึ่งอยู่ดีคือไม่รู้ว่ามันเหมือนเป็นสมาธิหรือเปล่านเหลืเหมือนกับวจมันม น, มนแนบแ น, บ, แน บ, บอารมณจิตสบายไหม ถ้าแนบแล้วแน่นนะ ก, ก็ไม่ไม่ใช่นะแต่ส่วนใหญ่มันจะมันจะไปแน่นมากกว่าถ้าแน่นนะไม่ใช่แน่นเราทํำด้วยโลภะไปบังคับจิตจะให้สงบถ้าบังคับจิตนะจิตจะแน่นแน่นขึ้นมาอึดอัดไงแนัก ใ, ใครล่ะใครลงมาคนที่สองหรือตามอาวุโส เราโสโยกุก่อนนะมั่งอาทิตยที่ผ่านมามนแปลกๆเหมือนปฏิบัติไม่เป็นปฏิบัติไม่เป็นเขาช่างมันนะดูกายดูใจของเราไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจความรู้สึกว่าปฏิบัติไม่เป็นเกิดอยู่ทุกขั้นตอนของการปฏิบัตินะเป็นกับทุกคนครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็เคยเล่า บอกวันหนึ่งเหมือนก็มากคนนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาแะ้ววันหนึ่งหายไปหมดเลยทำไม่เป็นทำไม่เป็นก็อย่าตกใจครับทำไม่เป็นก็รู้กายรู้ใจของเราเรื่อยๆไปอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างมันคอรู้สึกนะรู้สึกรู้เล่นๆรู้เล่นๆนะรู้เบาเรู้เล่นๆต้องรู้เบาเนะรู้สบายๆอย่าไปรู้จริงจัง ที่ว่าไม่ทํามาหมายถึงว่าอย่าไปจงใจปฏิบัติมีใช่ว่าไม่ให้ปฏิบัติปฏิบัติต้องทํำตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยมยีวันตื่นมามันเห็นรายละเอียดมากเลยอืคิดว่าชาตินี้เราไม่ยอมทำถึงที่สุดได้แต่ปล า, ายวันต่อมาพุทเละเลเออเป็นกั้นทุกคนแหละนะกระทั่งท่านอาจารย์มหาบัว ก็เคยอ่านหนังสือเก่าๆของท่านท่านก็เล่าไว้เหมือนกันบอกวันหนึ่งมันมรรคผลนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาะวันหนึ่งมันหายไปเลยทำไม่เป็นแล้วท่านบอกมันเป็นทุกคนเลยที่จริงแล้วก็คือใจเรานั้นมันแอบปรุงแต่งมันแอบทำงานพอเรารู้ทันมันมันก็เลิกทำถ้ารู้ไม่ทันนะนมันจะมีความอยากเกิดขึ้นก่อน เามีความอยากเกิดขึ้นแล้วใจก็ททำงานที่ใจทำงานนั้นก็ดิ้นไปเรื่อยๆทุกลรุงไปเรื่อยๆจะรู้ทันกระทั่งอยากปฏิบัตินะรู้ทันความอยากดับไปรู้สึกตัวเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าแอบไปปรุงแต่งเรื่อยๆก็าทาไปเรื่อยไม่จบอะแล้วโยทำอะไรจีเนี่ยแค่แค่คอยถามตัวเองไว้บ้างหม มันทําอะไรอยู่จะเห็นเลยว่าใจของเราทํางานตลอดเวลาเลยไม่เคยหยุดเลยดูออกไหมงานทั้งวันนะเนี่ยโยทําอะไรเราเคยถามตัวเองบิ่งก็ได้ทําอะไรอยู่อ <Okay. S 1> ันนี่ก็แค่เนี้คอยรู้ไปนะใอยดูตัวเองสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆทําไปสบายๆนะต้องสบายนะ หลวงพเนี่ยท่านสอนบอกทำมันหวานดูหวานหวานดูไม่สบายสบายดูแล้วใจมันยิ้มแย้มอยู่ข้างในมีความสุขปฏ <c oughs> ิบัติแล้วเครียดแล้วทาผิดเขาทำถูกไม่เครียดหรอกสม <c oughs> พพให้ฟื้นแล้วล่ะสมภพ <c oughs> <c oughs> ทำ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไมหล่นไปทั้งหลายเดือนสม <c oughs> นะมีช่วงที่จะไปแต่งงานอนึงย ในช่วงนะเลยกลับไปซีเอ้าสมคงเล่เลยหมดแล้วไมก็ดีแหละนะไม่รู้ใช่ไหมอย่าไปอย่าไปอยากให้มันเกิดนะไม่เกิดหรอกรีไปดูสั้นๆต้องดูนานๆหน่อยดูรายปีหลายไตรมาสเลยเอออย่าดูรายวันนะ ดูรายวันแล้วจะสับสนเพราะจิตของเราเนี่ยมีธรรมชาติเจริญแล้วก็เสื่อมเน้นถ้าดูรายวันจะเห็นเลยโอ้มีแต่เจริญแล้วเสื่อมดูเหมือนไม่ดีเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเลยจะรู้เลยสักรายไตรมาสเนี่ยจิตใจเราไม่เหมือนเดิมหรอกไงยโยทำไรละ่ะโยเดือดออกไหมอืมเอ๊นะ อย่างตอนนี้ยเรายัางตรึงความรู้สึกของตัวเองดูออกไ้มบังคับมันหน่อยๆอ่ะยังแข็งๆนิดนึง่งยังไม่ <laughs> ไโทษใครนั่งน้ำอย่างไรม <laughs> ันทําขึ้นเองอ่อะคนอื่นก็ไม่หนัก <laughs> ขนาดไม้วันนี้ไม้ยังเบาเลย <laughs> <laughs> นี่โทษคนอืนนะ เมื่อวานมีบางคนหนึ่งมาถึงนั่งเพ่งอย่เพ่งจ <c oughs> ิตรุนแรงมากเลยเพ่งตูมตูมตม <c oughs> ส่วนใหญ่พวกเราฝึกคิดแตจะบังคับมันฝึกอาัดาไว้แน่น ม, มันก็ดีได้ชั่วคราวเวลามันเสื่อมนี่มันร้ายกว่าคนที่ไม่เคยฝึกเพราะมันเก็บกดเนี่ยโยทาอะไรเนี่ยโยไป ถามตัวเองเป็นระยะๆะะนะมันทำอะไรอยู่มันทำทุกทนีนะของคนอื่นไม่ต้องมานั่งถามนะหรือ <c oughs> มาคอยนั่งถามตัวเองเรือยแก่เป็นฟุ้งซ่านนี่ของโยเวลาทำนั้นมันเอาจริงเอาจังใครถามตัวเองหน่อยก็ได้นะทำอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยไหมทำอะไร <c oughs> แล้วไม้เป็นไงไหมผมไม่รู้ว่าควรจะไปปฏิบัติตามรูปแบบเพราะว่าถ้าใคร้ไม่ค่อยเกงทำไปอย่างนี้แล้วถึงเวลาวันหนึ่งก็ไม่ทำตามรูปแบบการทำตามรูปแบบเนี่ยทิ้งไม่ได้หรอก น, นี่ของไม้เนี่ยมันติดติดสมถะแรงแล้วก็ทิ้งไม่โชคราวก่อนะมาหาันรู้สึก อย่าไปอยากให้สติเกิดบ่อยสติไม่ได้เกิดเพราะว่าอยากให้เกิดสติมันเกิดจากเพราะว่าเราจำสภาวะได้นั้นหัดทำความรู้จักสภาวะไปมันเลยอย่างสองอย่างนะเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็กลัวเดียดเด๋ย ว, ว, ย ว, ว, ย ว, วอิจฉาอะไรเงี้ยอิจฉาบ่อยไหมนะกังวลล่ะกังวลไหมกลัวไหมกลัวซ้มไม่น่าจะมีเมียได้หัดกลัว คือต้องทําเป็นก่อนทํายังไม่เป็นนะแล้วไปทําอย่างนั้นได้ติดรูปแบบอย่างเกา่าอันนี้เฉพาะตัวนะคนอื่นไม่เกี่ยวอีกเดี๋ยวใครไปบอกหลวงพ่อสอนว่าไม่ต้องทำตามรูปแบบรูปแบบมันแค่้ายๆราวสะพานเอาไว้เ ก, กาะกันตกสะพานเนื้อไม้เกาะราวสะพานจนไม่ยอมเดินเห็นไห ม, มนี่ปล่อยนะซะก่อนทิ้งมันไปก่อนหัดทรงตัวเดินก่อน นี่พอเดินได้แล้วต่อไปก็มีเราสะพานไวช่วยประคองเป็นครั้งคราวไม่ใช่เอาไว้เกาะแน่นๆน่นที่ผ่านมามันเกาะยานไม่ยอมเดินนะรู้สึกไหมเกาะแป๊กอยู่เงี้ยคือกี่วั น, ก, วนกี่เดือนอก็ทื่อๆอยู่ยไปทำอะไรเอเนี่ยค่อยหัดรู้อย่างเงี้ยนะที่หลวงพ่อถามเนี่ยนะเพื่อให้หัดรู้สภาวะนะ ไม่ใช่ถามเพื่อคอยเตือนให้รู้สึกตัวไม่ใช่หรอกถามให้คอยรู้สภาวะไหเนี้ยรู้จักไหมสภาวะาเงี้ยก็ทําอย่างเก่าอะ่ะนะหัดรู้จักไว้ต่อไปพอจิตมันเคยหยบเข้าไปตรงเนี้ยมันจะสติมันจะเกิดใไ่สมโพงเป็นไงสมโพงตื่นมันชักใหญ่โอ้นา้องซื้ันสองวันะ ไม่ได้ทำอะไรเอาฟื้นมั้งหรือไงหรือไปทำอะไรเข้าก็หลโลกดูไปเร่อยนะรู้กายรู้ใจ เ, เรื่อยเสื่อมได้มันก็ขึ้นได้แต่ถ้าเราคิดจะทำให้ดีเลยจะไม่ขึ้นเลยแค่เสื่อมไปตลอดหลายเดือนก็ลาวงรอบของความเสืมนีนานถึ แต่ละคนนะทีหลายๆเดือนรอบหนึ่งห <c oughs> ลวงพ่อหันนะวงรอบนะสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเจอเลยแล้วเสื่อมเจอเลยแล้วเสื่อมอยู่ในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเสื่อมไปสองสามวันก็ค่อยๆเสื่อมขึ้นมาพอดีอยู่สองสามวันก็ค่อยๆเสื่อมลงอไรเงี้ยก็เสื่อมได้ที่แล้วก็ค่อยๆกระตือขึ้นเห็นขึ้นขึ้นลงลง แต่ต้องใจถึงนะเสื่อมก็ร่วมันไปงั้นแหละน้ำหักยศแสดงความไม่เที่ยงให้ดูเหมือนกันแต่ไม่ใช่ไม่ปฏิบัตินะอปอเป็นไงอปอแต่งงานไปย่างอมัวงไงอ่อเหมือนจะอาการดีขี้เออเริ่มนุกนุกเรียบร้อยไปแล้ว เว้สบายมากเลยอย่าไปคิดมันสิคือจริงๆร่างกายของผู้ชายเนี่ยมันมีฮอร์โมนเพศใช่ไหมฮอร์โมนนี่มันจะกระตุ้นความรู้สึกมันจะคอยยั่วให้คิดถ้ารู้ทันนะอย่าไปคิดมันมากรู้จักบิวมบิวบิวน้องบิกบิวเคยมาบวชอยูน่นี่บิวบวชอยู่ได้หลายเดือนเลย ถทำไมดูไม่เดือดร้อนเรื่องกลางเลยตั้งแต่อยู่สุรินแล้วปวดอยู่ก็อนดตาปนึกผมไม่คิดมันจะคิดแล้วไม่คิดมันสลุกเดียวะถ้ามันจะมันถูกกระตุ้นรุนแรงจะคิดนะก็พามันคิดเรื่องอื่นเลยพามันคิดเรื่องกายไล่เพรนอย่างพระนมนมดูจิตใจยังไม่เป็นนะก็คิดเรื่องกายพิจารณากายไปเรื่อยๆก็ปลอดภยัยเขาก็อยู่กันได้ไม่ตายหรอ ขุน <c oughs> แผนยังไปสอนไายงาม อ, อดข้าวดอกดนะ้วเจ้าชีวาวายไม่ตายดอกด้วยอดเสนหาไม่ตายหรอก <c oughs> แต่ไม้ทำท่าเหมือนจะเป็นจะตายคุณ <c oughs> <c oughs> คิดมากนี่ก็มีคนส้านหนุย่ยว <c oughs> นมาหลายเดือนแล้วนี่จะเดือดร้อนอะไรนะ มันอย่างเริ่ออดข้าวเย็นนะเป็นคาราว่ารู้สึกอดข้าวเย็นมันยากจริงเลยพอวันที่บวชมันรู้ว่าไม่ได้กินแล้ไม่หิวหรอกถ้ายังคิดว่ามันจะได้กินอยู่นะมันจะใครคิดถึงไหมมันหิวงั้นมันไม่ยากอย่างที่กลัวหรอกกอนตอนไปบวชสามเดือนแทบตายมีทำไม่เป็นมมันไม่มีเครื่องมืออะไรที่จะป้องกันตัวเลย ทำเรียนแทบตายก็เก่งนะหลวงพ่อเคยบวชตอนเป็นนักศึกษาสิบห้าวันยังแทบตายเลยนั่งนับสถิติน้องออกพรรษาออกบวชทั้งพรรษาเลยเหรอตอนไหนอ่ะทำงานแล้วนะทำงานใหม่ๆเป็นก่อนพาอาไปกลับท่านจันตทน์ท่านบอกว่าเมื่อไหร่จะบวชเนี่ย เรา้ามกลัวเรื่องถือศีลจะไม่บริสุทธิ์ท่านทําหน้างงงงฮะทำไมกลัวถือศีลไม่บริสุทธิ์กลัวสังฆาทิเศษบอกอ้าวแล้วเมื่อไหร่จะได้บวชเนี่ยบอกท่านบอกว่าอ้ามบอกว่าได้ผ้านาคาแล้วจะบวชท่านบวชเราะคักเลยจริงเป็นพระนะภาวนา ง, ง่ายกว่าเป็นโยม เป็นคารวะก น, น่าลําบากกว่าพระจิตใจมันวอกแวกอย่างเป็นพระนะอยู่ในวินัยปุถ้าวอกแวกเนี้ยจะมีความทุกข์เยอะสมมติเป็นหนุ่มๆเนี้ยวอกแวกไปดูสาวโอ้ทุกข์ต่างตายเลยนะยันเป็นพระเนี้ยมันมีกรอบถ้าออกนอกกรอบจะ ม, มีความทุกข์เยอะนี่ถ้ารักจะเป็นพระให้มันจะไม่ยอมออกจากกรอบอยังไม่กล้าไปปรุงแต่งอะไรที่ไม่ดีหรอก เอาเันเดียวสิเอารักษาใจไหมมีสติรักษาจิตไหมสินจำนวนมากเลยมันเป็นเรื่องมารยาทบ้างเป็นเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยบ้างสินส่วนใหญ่เลยคือเสียเคียวัดเป็นเรื่องมารยาทอย่างเราไม่เคี้ยวอาหารจับแจ๊กๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่ทำอยู่แล้วเราไม่เอาช้อนไม่ผูดจานก้องแกงก้องแก ง, ง, แกงเราก็ไม่ทาอยู่แล้ว คืกริยามารยาะของคนไทยอะถอดมาจากพระวิัยเยอะอยู่ละงั้นอย่างคนไทยไปบวชนี่นะคือศีลเพิไม่กี่ข้อหรอกอย่างเรื่องกริยามารยาะมี่เยอะเลยพระวิไนาบางข้อไม่มีแล้วอย่างเรื่องสันถัดเนี่เรื่องสันถัดที่ที่นั่งที่รองนั่งหล่อด้วยขนสัตว์ใส่ไขมันลงไปห ล, อล่อเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีอยู่แล้ว พี่ในเรื่องสันทัดก็ต้องเยอะแยะทั้งหลายข้อที่ว่าสองร้ยี่สิบเจ็ดจริงๆมีไม่เท่าไหร่หรอกส่วนหนึ่งมันก็อยู่ในกริยามารยาทของเราอยู่แล้วส่วนหนึ่งก็ไม่มีแล้วเศรษฐีว่าวตั้งหลายสิบข้อเนี่ยเรื่องมารยาทตั้ต ง, งหลายต้องรู้สิไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้นะ แต่ว่ารู้ภาชิกสี่สังคาทิเศษสิบสามรู้ปาจิตติไม่รู้ไว้ก่อนเสคียวัตรส่วนมากคืเป็นเรื่องอาบัตทุกกฎเรื่องะไรอย่างงี้ซึ่งเราจะมีอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าไม่ต้องรู้แล้วไม่ไปทำผิดนะไม่ใช่ทำอยู่แล้วจะบวชเหรอไม่น่ากลัวอะไรหรอก เมื่อก่อนเราภาวนามไม่เป็นก็ล่าแรฟังตายวันเราก็ดูไปดูกายดูใจไปนะหาความสุขความสุขของพระก็คือทําสมถะมีความสุขจิตใจมีความสุขอันนี้ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านไม่ให้ทำเพราว่าติดสมถะ น, นี่เราไม่ได้ติดเราก็ทําเป็นที่พักผ่อนไม่เป็นไรทําสมถะไปใจมันอยากคิด พามานันคิดเรื่องกายของตัวเองใช่มเพรพระพุทธเจ้า ว, วางเครื่องป้องกันไว้ให้รอบตัวเลยหมดเวลาปฏิบัติที่มันนั่งคิดเรื่องกายตัวเองก็อยู่ในชีวิตจริงๆยืนเดินนั่งนอนคอยดูจิตดูใจไปการปฏิบัติมีเท่านี้แหละแล้วก็อยู่ได้ละเวลาที่มันคิดแล้วเราพาไปคิดเรื่องื อ, งองกายมาัน <c oughs> มั น, นไ ม, ม่เบี่ยงเบี้ย สมถะไงเป็นสมถะจะทำให้อยู่รอดคือการที่ครูบาอาจารย์สอนคิดเนี่ยมันหลายเหตุผลเหตุผลหนึ่งก็คือใจมันจะคิดอยู่แล้วละ่ะเนี่ยมันจะคิดเรื่องสาวให้มันคิดเรื่องปฏิกูลเรื่องอสุภะของตัวเองหรือบางองค์ใจเด็ดเด็ดนะเอาสาวมาพิจรณาปฏิกรูอสุภะก็มีจะ ต, ต้องใจถึงนะ ใจไม่ถึงเดี๋ยวดูไงมันก็ไม่ปฏิกูลนะนี่อีกอันหนึ่งก็คือจิตจะติดความสงบจนไม่ยอมเดินปัญญาเคลิมอยู่ข้างในลูกเดียวเลยครบาจารย์ก็ต้อนให้ออกมาคิดซะให้จิตมันทำงานเคลื่อนไหวซะจะได้เจริญปัญญาต่อไปในการที่ท่านสอนให้คิดก็มีหลายเหตุผลคิดเอาตัวรอดก็ได้คิดเพื่อไม่ให้ติดสมถะซึมอยู่ข้างในก็ได้ ในการปฏิบัติเนี่ยเราต้องมีโยนิโสมนัสิการต้องแยบขายนะเดินในเส้นทางสายนี้ต้องฉลาดต้องแยบขายรู้ว่าตอนไหนเราจะทําอะไรเพื่ออะไรต้องรู้ถ้เรารู้รอบรู้รอบด้านนะะแสดงรู้วิธีใช้เครื่องมือแต่ละชนิดถึงจะทําสมถะหาอารมณ์ที่สบายๆนะทำอารมณ์อะไรก็ได้ไม่เลือกจะทํำมิปัสนาต้องรู้กายรู้ใจต้องรู้หลัก เั้นช่วงนี้เราจะสู้ด้วยวิปัสสนาได้เราใช้วิปัสสนารู้จิตได้ดูจิตเข้าไปเลยดูจิตไม่ได้มาดูกายให้เป็นวิปัสสนาดูกายเป็นวิปัสสนาไม่ได้ทําสมถะสมถะไม่ได้นะอะไรก็ไม่ไหวก็พามันคิดมันฟุ้งสุดขีดแล้วพามันคิดอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลสู้ไม่ไหวก็หนีหรือวิ่งไปหาคนช่วยหาครูบาอาจารย์อะไรเนี้ย แม้มันต้องมีวิีสู้เย้ยแ ย, แย้มไม่ใช่ซื้อบื้อไปชนกับมันลูกเดียวนะนสิ่งที่จะช่วยเรานะคือกรารยาณมิตรครูบาอาจารย์นั่นนี่โยนิโสมนาสิการสำคัญมีอันแดนหนึ่งเนี่ยทำให้ถึงที่สุดได้อย่างพระพุทธเจ้าไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีกลรายานามิตรท่านมีโยนิโสมนัสิการเกิดตัญญา สังเกตไปเรื่อยๆเอะตึงไปไม่ใช่เนี่ยหย่อนไปไม่ใช่เนี่ยสังเกเตไปเรื่อยต้องถูกอโยนิโสว่าถูกต้อง <c oughs> มันนาสิการคือการพิจารณาการใส่ใจพิจารณาอย่างแยบคายนะถ้าไม่ถูกต้องเรื่องอโยนิโสเนี่ยอโยนิโสเนี่ยประกันแล้วว่าต้องถูกต้อง <c oughs> เติมไปเติมไปแล้วก็ทำอีกไม่เหมือนก็ต้องเูเคื่อกค้ยนะครับเออต้องเริ่มเร่มเรมตนเริมสัมอ้นนเป็นเทคนิคเฉพาะตัวนะคือเราต้องสังเกตตัวเองไงว่าทายัางไงแล้วสติเกิดบ่อยเรก็ทาอย่างนั้นนหะแต่และคนไม่เหมือนกันหรอกมันไม่มีหลักสูตรสาเร็จรูปบางคนเนี่ยมามให้หลวงพ่อเปิดคอร์สมาเปิดราทาไม่ได้จริงหรอกมันเดินพร้อมๆกันนั่งพร้อมๆกันเลย ได้ได้คือมันเป็นการกระตุ้นตัวเอง <c oughs> หาอารมณ์ฝ่ายกุศลนะ่ะมาให้จิตมันเข้าเคลียอยู่ในอารมณ์ฝ่ายกุศลซะดีกว่าให้มันไปเข้าเคลียอารมณ์อกุศลเพราะธรรมชาติของจิตต้องมีอารมณ์แน่นอนนี้อารมณ์ถ้าเราปล่อยสเปส ป, ปานั่นะมันจะไปหาอากุศลนะงั้นเราก็หาอารมณ์ที่เป็นกุศลอย่างอ่านหนังสือธรรมะอย่างเงี้ยสนท น, นาธรรมบ้างหาครูบาอาจารย์บ้าง คุยกับเพื่อนมั่งในเรื่องธรรมะท่านสอนเนี่ยถ้าจะคิดคิดอนุสตนะิอนุสติสิบอย่างคิดถึง พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคิดถึงคนที่ดีๆมีคุณธรรมคิดถึงในหลวงคิดถึงพระเทพไรส ม, มุทตนะ์ถึงสมเด็จคิดถึงทานคิดถึงศีลหนึ่งของเรานะถ้าจะพูดท่านสอนให้พูดกระถาวัตถุสิบไม่ได้ไม่ได้ห้ามพูดนะ มีพระบอกว่าจะทำข้อวัดคือไม่พูดกันพระพุทธเจ้าติเ ต, ตียนบอกเป็นมูวัดเป็นวัดของวัวของไวายไม่พูดกันท่านสอนว่าให้พูดพูดกถาวัตถุพูดเรื่องนักน้อยสันโดษไม่ครุกครีพูดเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาในคนนี้แต่ก็ไม่ได้ให้พูดทั้งวัน เด็กที่เกาะจอคอมพิวเตอร์สนทนาธรรมทั้งวันไม่เอานะใสอย่างนั้นไะราสาระเสียเวลาภาวนาคุยแล้วอิ่มเอิบใจมีความสุขมีความสุขแล้วเราเลิกแล้วเรามาดูของเราคุยไปมากๆหนูกินเลยก็เกิดพอคุยนานๆแล้วเป็นเจ้าพ่อว <c oughs> ันไหนคนแม่อนุโมทนาเขาโมโหก <c oughs> ใครดูไปรู้สึกไปโยทาอะไรแล้วโย โอ้สมพูงนะเสื่อมไปร่วมครึ่งปีมั้งตกไปไหลายเดืดดอนนะคือให้ใจมันเคล้าอยู่ในอารมณ์ฝ่ายกุศลไหมนะอยู่ในกลุ่มเพื่อนฟังธรรมไปวัดแฟนเปฏิบัติไห ม, ล ม, มลหลายๆบ้านน่ฉลาดมากเลยค่อยๆกลบ เงินะแฟนหันมาสนใจปฏิบัติตอนนี้ไปด้วยกันโออย่างนี้สบายมีความสุขคือมีสีเี่ยมีทิฏฐิเสมออันมีความสุขอย่าหาเมียมิจฉาทิฏฐินะมีความทุกข์เยอะเลยะอะไรก็ไม่ร้ายเทามิจฉาทิฏฐิเลยอย่าไปหาเมียมนะ นี่หลวงพ่อบอกไม่เหมือนกันใช่ไหตรงนี้ห้ามยากห้ามยากก็บอกาหาให้มันดีๆหน่อยไปหาธรรมะโ ย, ยหากินคนเดียวก็เหนื่อยจะตายอยู่แนละ้วไปหาป้อนคนอื่นเห็นนกนะน่าสงสานพวกนกอะ่ะโง่แท้ๆเลยอาสาไปทำรังนะไปขีดสาวมาตัวหนึ่งอน ได้สาวแล้วมาทำรังจริงๆก็โอ้ยกว่าจะทำสำเร็จนะลำบากลำบนทำเสร็จแล้วก็ออกไข่มาใข่เฝ้าเฝ้าทั้งวันทั้งคืนเป็นลูกนกมานี่นะโอ้ตัวเองหายกินยังเหนื่อยเลยบินแย้ไปแล้วไปคาบเลยมาป้อนอีกไอ้นี่ก็อ้าปากตลอดเลยลูกมันอ้าปากตลอดเวลาเลยสองตัวสามตัวมันทำงานหนักมากเลยเสร็จแล้วพาไปซ้อมบิน วันซ้อมบินล้วตายไปครึ่งหนึ่งเยนะยงเี้ยบินบินไปตกไปตัวอะไร้วไปกินอนะไรเงี้ยนกเล็กๆนะหาลูกมาบินคนเดินใกล้ๆนะสู้นะไล่ฉกเลยบางตัวทําไปหลอกล่อเราล้อมแก๊แกๆ๊แก๊ดิดด้นอยู่ตามพื้นอนะไรเงี้ยหลอกให้เราไปสนใจอเอาชีวิตเข้าแรกเลยดูกลามันร้ายจริง มันแย่งข้าวไปจากปากเลย <c oughs> ลำบากสำบนงั้นเราฉลาดเราอย่าไปยุ่งกับมันอยู่คนเดียวสบายรู้ไหมที่ทำงานต้องมีลูกเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนะโยจะมีตอนนี้ก็ช้าไปล่ะกว่าจะเลี้ยงลูกโตนะแก่แล้วเหนื่อยเหนื่อยหนักไปสองเท่าเลย โอ้ยมีปัญหาขั้นเลยมาหาหลวงพ่อนะคนมาเล่าแต่ความทุกข์ไม่เห็นมาเล่าความสุขให้ฟังเลยโอ้ผมมีความสุขขึ้นเลยในพูดเลยอุย้ยปัญหาสารพัดนะคนที่รึทีลึึ